S <S นะหรือว่าตับกลับมาตายที่ฐานก็มีหรื อ, อยังลายระหว่างทางยังไม่ถึงฐานก็มีนะแล้วก็เปรียบเทียบกับเมืองเมืองหนึ่งที่ถูกเข้ามาตนะีการที่ถูกเข้ามาตีเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้าง <S <S นะมีทั้งเสาระเนียดเอนะไว้สําหรับขึงนะกําแพงคูทางเดินรอบกําแพงต่างๆนี้เปรียบเทียบไว้หมดนะถ้าจะลงรายละเอียด ก, ก็คือพระเจ้าเปรียบเทียบคูเนี่ยเหมือนกับหิริ ค่ะคูคูกั้นกั้นเมืองนะะระหว่างคนจะมาตีเนี่ยเขาต้องลงหลุมลงคูสมัยก่อนเขานิยมที่จะขุดคูอ<า>เอาไว้ก็คือฮิริคือความกลัวต่อบาปค่ะนะทางเดินรอบทางเดินรอบคู เ, เป็นเหมือนตะโอตะปะคือความละอายต่อบาปค่ะเนะสาระเนียดนะคือเสาที่ปักเอาไว้ไว้สำหรับขึงแขว้นอะไรต่างๆเนี่ยคือสัตหการตรงนี้แล้วก็พูดถึงอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อาวุธ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 และละอายต่อกายว่าจาใจอันเป็นทุจริตค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทางเดินดดดดดดดๆๆโดอทางเดินโดยรอบนะคือทางเดินระหว่างกําแพงกับขูค่ะเชิงเทินเ ด, ดินรอบเนี่ยทั้งสูงและกว้างนะบางเมืองเขาก็ออกทางเดินอยู่บนกําแพงอย่่างี้คะกําแพงมีทางเดินได้เปรียบ ก, กับอะไรนะคะเนี่ยทางเดินเปรียบ ก, กับโอตาปะคือความกลัวต่อบาปค่ะ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 นะรักษาเมืองอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่ามารผู้มีบาปทำอะไรไม่ไดค้คือตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนเมืองนะแล้วก็มีจิตของเราเป็นเจ้าเมืองมีกายทั้งสี่ท่าสี่กลกายเนี่ยเป็นเป็นทางที่เข้าไปสู่ตัวเมืองได้อย่างนี้อันนี้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มารผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้ปก